อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เปิดสถานีในเช้าวันนี้ตอนตีห้านะคะหลังจากที่แจ้งเวลาแล้วก็ประกาศสถานีแล้วก็นํารายการธรรมารับปรุนกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยค่ะเรามีสิ่งดีๆที่จะทําให้ท่านผู้ฟังรับฟังแล้วเป็นมงคลมีความสบายอกสบายใจแล้วก็ชี้ทางที่ถูกที่ควรให้เราได้ดําเนินชีวิต ในโลกปัจจุบันนี้ได้อย่างมีความสุขไปในทางที่ถูกที่ควรตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงเมตตาที่จะสั่งสอนไว้นะคะในรายการธรรมารับอรุณค่ะเราพบกันเช้าวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่22เมษายนนะคะพุทธศักราช2555ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้นสองข้าเดือน6 ปีมะโรงนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมาพบกับพระอาจารย์ซึ่งเป็นพระอาจารย์องค์ปาถกประจํารายการธรรมรับอุณนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเลยนะคะแต่ในเช้าวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นเรื่องของการสนทนาธรรมะหรือสากัชชาโดยเดชจะทําหน้าที่ซักถามท่านพระอาจารย์ไพบุญอภิพุพโนโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อํานวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมหลักสูตรลีเกเล้นตามพุทธวจนะหรือตามพุทธโอ์ของวัดป่าดอนไฮ กซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดอกเตอร์สะอาดที่โตภาโซหรือท่านพระคุณสิทธิปภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสที่เปี่ยมด้วยเมตตาและวัดปฏิบัติที่น่าเคารพอย่างยิ่งนะคะกลับนมัสรการเจ้า่ะพระอาจารย์เจ้าขาเติมพรสาธุเจ้าขาเมื่อชาเมื่อวานเราได้ตอบ ปัญหาของคุณอิทธิพลนะลเจ้าคะ่ะเจ้าคะ่ะเกี่ยวกับเรื่องของจิตสุดท้ายก่อนตายแล้วก็พอเรื่องที่สองนี่ก็จะพูดเรื่องธรรมะ คือธรรมชาติแล้วก็พระถือพุทธมรรจารไรต่างๆซึ่งฟังไปละดังนั้นเช้าวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของหน้าที่ของสามีภรรยาดีไหมเจ้าคะใ่ใมันจะได้เกี่ยวเนื่องกันนิดนึงเพราะว่าเราสัญญากับท่านผู้ฟังแล้วว่าเจ้าค่ะว่าเดือนเบษายนนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นวันครอบครัวเป็นวันพุทธสูงอายุเราจะคุยในเรื่องที่เป็นเรียกว่าชาวบ้านเหล่านี้แหละแต่ว่าจะดึงเอาธรรมะมาอย่างไงที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนไว้ก็ขอกราบนิมนต์พระอาจารย์ไปบูลเลยเจ้าค่ะเชิญผ่านก็ พูดถึงเรื่องครอบครัวเราก็ยังอยู่ในเรื่องของของหมวดของครอบครัวในในลักษณะนี้ก็ครอบครัวมันก็จะมีพ่อแม่ลูกใช่ไหมเราก็ได้พูดถึงหน้าที่ลูกต่อพ่อแม่ล ะ, ะหน้าที่ของพ่อแม่ต่อลูกละตันี้หน้าที่ระหว่างสามีภรรยาเราก็จะมาพูดกันเพื่อจะได้สมบูรณ์ในในเรื่องของตรงนี้ว่า อ, อคือคิดว่าจะเท้าความตั้งแต่ก่อนที่จะแต่งงานเลย คือคือเรื่องนี้ต้องระวังนิดหนึ่งสําหรับพระสงฆ์นะคุณเตือนชัยเนื่องจากพระสงฆ์เนี่ยมีศีลศีลของพระเ น, นี่ยมีอยู่ข้อหนึ่งที่บอกว่าถ้าเราเป็นสื่อชักให้ชายหนุ่มหญิงสาวเขาแต่งงานกันแล้วเขาแต่งงานจริงๆเนี่ยคุณเป็นอาบัติชนิดว่าต้องไปติดคุกของพระเลยทีเดียวคือติคุกพระติดคุกพระก็คือว่าต้องต้องต้องอาบัติสังกัดที่เศษนะเป็นอาบัติประเภทหนึ่งที่ว่าคุณต้องไปติะเข้าคุกก่อน <น> <Okay. S 1> ข้คุกก็คือสมมุติว่าสถานที่เนี้เป็นคุกของคุณนแล้วก็คุณจะต้องไปนั่งแถวแถวนะกราบตั้งแต่พระที่หนึ่งพรรษาใครมาก็ต้องมาเที่ยวบอกความผิดของตัวเองให้คนอื่นฟัง <Okay. S 1> เปลักษณะคุกของพร ะ, <Okay. S 1> ะเจ้าค่ะติดคุกอย่างน้อยหกวันอ่าก็หลังจากที่เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการที่จะบอกให้คนมาแต่งงานกันเป็นคู่กันเนี่ยโหต้องระวังมากนะถ้าเขาแต่งงานไปเพราะว่าเราเป็นคนชักสื่อเนี่ยเราเราซวยเลย ประสงค์นี่สวยเลยกับปติกุ๊กเลยพระธรรมก็จะพูดในแง่มุมของธรรมะที่ที่พระเจ้าสอนไว้นะคือพระเจ้าก็จะไม่บอกให้คนแต่งงานกันนะไม่เคยบอกแต่บอกว่าคนที่จะอยู่ร่วมกันแล้วจะมีความสุขเนี่ยก็อย่างน้อยคือจะอยู่กันได้สามัคคีกันแล้วก็ไปตลอดรอดฝั่งเนี่ยคืออย่างน้อยคุณต้องมีศีลแล้วก็มีทิฏฐิเสมอกันนั้นแรกก่อนคือมีศีลและมีทิฏฐิเสมอกันก็จะเป็นคนที่อยู่กันไปได้สามัคคีกันไปได้ตลอดรอดฝั่ง หรือว่าถ้าต้องการจะไปเจอกันตลอดพบตลอดชาติพบหน้าชาติหน้าอย่างเงี้ยจะต้องทํำยังไงนะพระเจ้าก็เคยบอกถึงเหตุ4ประการคืออย่างน้อยต้องมีมีทิฏฐิเสมอกันะมีศีลเสมอกันมีจาคะศเสมอกันมีศรัทธาเสมอกันมีปัญญาเสมอกันนะคุณก็ไปเจอกันได้นะคือ<จ><จ>สมมติว่าคนจะจะทำบุญอย่างเงี้ยสามีบอกอจะทําบุญพันหนึ่งให้ทานให้ทานพันหนึ่งพนีบอกออห้าร้อยพอ ไปคนละที่นะคุณตาย จ, จิตของสองคนนั้นไปคนละที่ทันทีนะคนที่ให้มากคือจิตเขามีศรัทธาใช่ไหม<จ><า>พอคุณบอกพันหนึ่งจิตคุณตำหนีขึ้นมาตึ๊กทีเดียวนะ<จ>บอกเฮ้ไม่ไม่เอาไม่เอาให้น้อยกว่านี้นะภริยาบอกแล้วก็ก็จะไปคนละที่ละเพราะว่าจิตของผู้ชายมีมีกุศลแต่ของสามีในกรณีนี้นะจิตของภริยาในกรณีนี้ก็จะมีความตำหนีเพราะนั้นก็สะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆ นมันก็จะไปคนละที่แล้วก็จะไม่ได้มาเจอกันอย่างสมมติบางทีสามีพอตายไปจะไปอยู่สวรรค์ชั้นที่สูงกว่าภรรยาจะไปอยู่สวรรค์ชั้นที่ต่ำกว่าอายุอนามันก็จะไม่เท่ากันใช่ไหมลงมาก็จะไม่เจอกันละเป็นอย่างนี้เป็นต้นนะนี่จะพลาดกันไปนี่พระเจ้ายกตัวอย่างให้ฟังด้วยคุณธรรมนที่ทำให้สามีภรรยาไปอยู่ร่วมกันทีนี้ว่าการที่จะ จะเลือกคู่อย่างเงี้ยพระเจ้าก็ไม่ได้ให้หมวดธรรมะไว้ว่ า, าผู้ชายควรจะเลือกผู้หญิงอย่างนี้ผู้หญิงควรจะเลือกผู้ชายอย่างนี้เพราะว่ามันจะเสี่ยงต่อการที่ที่ถูกอาบัต์<จ>นะเป็ น, เ ป, นเป็นความผิดที่ต้องไปติดคุกนะแล้วก็พระนี่ยังมีวินัยอีกอันหนึ่งคือว่าถ้าเขาแต่งงานกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยยังมีคนโทรศัพท์มาถามพระอย่างเงี้ยบอกว่าเออพระคุณเจ้าเนี่ยฉันจะเลิกกับสามีเลิกดีไหมโอ้โหท่านพระ บ, บอกว่าเอาเลิกเลย <c oughs> ได้เงินเท่าไหร่มาแบ่งกันด้วยโอ้โหพระนี่เป็นอาบัติตันทีนะเป็นอาบัตชนิดเบาลงมาหน่อย แล้เป็นนาบัตปารเจตีแล้วคือคนจะเลิกกันเนี่ยเราต้องพูดให้เขาสมานสามัคคีกันนะเป็นคําตอบที่ที่เป็นอัตโนมัติเลยสมมติสามีภรรยาจะเลิกกันอย่างเงี้ยต่อให้มันมันไม่ดีกันยังไงเนี่ยนะคือเราต้องตอบอัตโนมัติเลยต้องให้เขาสมาสามัคคีกันได้ๆนะอย่าให้เขาแตกกันคืออย่างน้อยก็ให้ธรรมะกล่องกล่าวใจเขาให้เขายังไงประนีประนอมกันไปนะเจ้าค่ะใช่คือถ้าเราบอกให้เขาแตกกันเลิกกันไปเลยเนี่ยนะแล้วเขาทําอย่างนั้นจริงๆเนี่ยคุณเป็นนาบัตันตีประสองนะ เพราะนั้นรพระเนี่ยเสี่ยงมากเลยถ้าจะพูดเรื่องเนื้อกู่น ะ, ะถ้าพูดให้เขาเขายังไม่แต่งงานกันพูดให้เขาเป็นดองเป็นเป็นคู่กันอย่างเงี้ยเขาแต่งงานกันไปจริงๆเราสวยเลยหนักมากนะถ้าเขายังจะเลิกกันแล้วพูดให้เขายิ่งแตกกันไ ป, ไปอีกนี่เราก็สวยอีกเหมือนกันะนะเพราะนั้นก็จะต้องพูดในลักษณะเป็นคุณธรรมนะคุณธรรมที่พรจ้าพูดถึงที่ว่าจะทําให้คนอยู่รอดไปตลอดรอดฝั่งเนี่ยก็คือต้องมีทิฐิเสมอกัน เพราะนั้นจึงเป็นข้อที่พอจะสรุปได้อะนะว่ า, าถ้าคุณจะดูคู่อย่างเงี้ยว่าเออคนนี้จะเหมาะสมกับเราไหมคุณอย่าไปดูว่าเขาแหม่หล่อสวยรวยหรือว่ามีลักษณะน่ารักนะมีหน้าตาแบบอุ้ยเหมือนเกาหลีเลยอย่างเงี้ย <c oughs> มันมัน <c oughs> ไม่ใช่ละคุณดู <c oughs> ผิดละ <c oughs> คุณต้องดูลึกเข้าไปถึงว่าเขามีศีลไหม <c oughs> เขามีทิฏฐิเสมอเราไหม <c oughs> เขามีปัญญาไหมก็มีจาระคาไหมก็มีศรัทธามไหมดูตรงนี้ <c oughs> แตนะ่ถ้าดูคุณดูห้าอย่างนี้แล้วเนี่ยมันไปกันได้นะคุณจะไปรอดเพราะอะไระเพราะความสวยนนะคุณเตือนใจเอาไม่ต้องรอถึงยี่สบสามสิบปีเอาแค่สิบปีนะเอาแค่สิบไม่ต้องสิบปีเอาห้าปีพอโอ้โหมันมันเสื่อมไปเลยนะเร็วมากห้าปีคุณลองถ่ายรูปปีนี้อีห้าปีคุณมาดูโอ้ยเรากับตอนนี้กับห้าปีที่ผ่านมานี้มันต่างกันนะ ค, ค่ะเขาโครงหน้าริ้วรอยสีผม อะไรต่างๆรูปร่างมันเปลี่ยนไปนะเจ้าค่ะเออแล้วมันเบื่อได้แตนะถ้าเราจะไปยึดถือว่าเขาหลอ่อเขาสวยเขารวยแล้วจะเอาคุณธรรมเหล่าเนี้ด้วยคุณสมบัติเหล่าเนี้มาทําให้ชีวิตคู่ยืดยาวไปเนี่ยคุณคิดผิดแล้วเจ้าค่ะชีวิตคุณจะไม่ยืดหมายาถึงว่าอยู่ไปอยู่ไปเขาก็เสื่อมลงนะใช่ไอ้ที่หลอก็อาจจะหัวล้านไม่สวยไม่มไมลหล่อเหมือนเดิมถูกต้องเจ้าค่ะนั้นมันเสื่อมไปแน่เพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปยึดถือตรงนั้นมาเป็นหลักสาระในการที่จะครองคู่เนี่ยคุณพลาดละ นะเราต้องดูลึกเข้าไปโดยเฉพาะหญิงคนที่ไม่มีสีนนะคุณเตือนใจต่อให้สวยต่อให้หลอ่อขนาดไหนเนี่ยนะโอ้โหหาข้าไม่ได้จริงจริงนะต่อสมมติเราเราเป็นแฟนเขาคบกันอยู่คนที่สวยมากเลยแตนะ่ผู้หญิงคนนี้สวยมากเลยผู้ชายไปเป็นแฟนกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ยังไม่ทันแต่งงานเลยพอจะแต่งงานกันไปอ้าวเปลี่ยนคู่นะเพราะว่ามีคนอื่นมันจีบมีร้อยคนมาตามจีบอย่างเงี้ยนะเราเห็นเยอะแยะเลย ท, ที่ที่ปัญหายังไม่ทันจะมอค้าอย่างไม่ทันจะดำเลย จากที่เขาสํานวนพูดกันนะนะแล้วก็เลิกซะแล้วอย่างเงี้มันก็เป็นเป็นเรื่องของเรื่องนี้เท่านั้นเองความเจ้าชู้ไม่อยู่ในศีลนะคือพระเจ้าเคยเปรียบเทียบว่าคนไม่มีศีลเนี่ยต่อให้สวยต่อให้หล่อยังไงเนี่ยนะข้างในมันมันเป็นเหมือนผีดิบเน่าเฟะเหม็นแล้วก็คบคบไปเนี่ยความเหม็นความเน่าตรงนี้มันจะยิ่งปรากฏออกมาให้เราเห็นเจ้าค่ะนะเราก็จะเริ่มเหม็นละปากพูดอะไรก็จะเป็นสิ่งเหม็นเหม็นพูดจะไม่ ไม่มีศีลบูจาลักษณะที่ไม่ไม่ดีออกมาน ะ, ะมันก็จะมันก็จะอยู่กันไม่รอดละ่ะนะคือตรงนี้ก็จะสอดคล้องกับเรื่องของทิศทั้ง6นี่เรื่องของสามีภรรยาจ ะ, จะมาที่ว่าหน้าที่ของสามีเนี่ยหนึ่งในหน้าที่ของสามีเนี่ยก็คือด้วยการยกย่องกับด้วยการไม่ดูหมินนะแล้วก็ถ้าเราพูดไม่ดีกับภรรยาอย่างเงี้ยพูดไม่ดีหรือว่าไม่ยกย่องเขาไม่ ดมินเขาอย่างเงี้ยเราก็จะติดลบไปเรื่อยๆทีละคะแนนทีละนนคะแนนเพราะฉะนั้นเราจะดูรู้ท่าแท้ของบุคคล น, นี้หรือไม่เนี่ยจะรู้ได้ไงว่าคนไหนมีศีลเนี่ยอันนี้ต้องด้วยการที่อยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันหมายว่าคบหากันดูนิสัยไปแล้วก็ไม่ใช่ระยะเวลาแป๊บๆเดียวจะรู้ได้นะต้องใช้ระยะเวลานาน ในเวลาพอสมควรแล้วก็ไม่ใช่ว่าคนบื้อบื้โง่โ ง, งมันจะมารู้ได้ต้องเป็นคนฉลาดสัหน่อยหนึ่งต้องเป็นคน<จ>คที่รู้จักสังเกตนะใช้ระยะเวลาดูว่าคนนี้มีสีจริงไหมสีนเนี่ยแม่ต้องทําความเข้าใจอย่างนี้ว่าเป็นความปกติแต่คือคนเนี้มีปกติอย่างเงี้ยคือไม่ใช่ว่าเขาจะมาดีเฉพาะตอนที่จีบเราอย่างเดียวแต<จ>่ช่วงที่จีบกันอยู่ช่วงที่กําลังแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคุณเตือนใจขอด อ่ากำลังเขาเรียกเอ่อช่วงโปรโมชั่นเจ้าค่ะกำลังกำลังที่จบบกันอะไรก็ได้โอ้โหดเจ้าค่ะโอ้ฝืนนิสัยตัวเองอะไรสิเองไม่ชอบยอมทำได้ชี้นกเป็นไม้เอ่อชีไม้เป็นนกอะไรประมาณนี้นะซึ่งซึ่งเอ่เป็นการที่เราต้องดูดีๆว่าเอ้มันจริงไหมเป็นความปกติปกติเขาเป็นอย่างนี้จริงๆมั้ไหม ศีลนี่คือความปกติเพราะฉะนั้นเราต้องดูถึงความปกติเข้าไปของเขานัมั น, นจะอยู่รอดจริงๆของเขาเป็นอย่างนั้นไหมถูกต้องถูกต้องศีลเนี่ยคือตรงนี้คือความปกติเพราะฉะนั้นความปกติของเขาเนี่ยเสอดคล้องกับห้าข้อทิ พ, พย์วิชาบัญญัติไหมถ้าสอดคล้องกันเราอยู่รอดเราเราจะอยู่ไปกันรอดตลอดรอดฟังอคือความอดทนไงมันจะเป็นเครื่อระดับที่บ่งบอกว่าถ้าคุณความอดทนน้อยนคุณก็ไปกันไม่รอดแน่ถ้าเขา คือคือสมมติสามีหรือภรรยาฟักสะไฟใดฝ่ายหนึงน่งเนีน่ยเป็นศีลหรือว่าทําให้ฝ่ายหนึ่งไม่พอใจเนี่ยก็จะติดลบกันบ่ ค, คนละคะแนนฝ่ายละคะแนนใช่ไหมสมมติภรรยาสามีบอกว่าสามีไม่ได้ทำกับข้าวภรรยาไม่ได้ทำกับข้าวเงี้ยแม่บ้านอาหารถุงใช่ไหมแต่งานกันไปแล้วคุณไปซื้ออาหารถุงมากินสามีโอ้แม่อร่อยเลยร้านนี้คุณดูถูกภรรยาแล้วนะเพราะว่าตรงเนี้ยภรรยาเนี่ยเป็นคนจัดหามานะคุณภรรยาจัดหามาแต่สามีไปพูดไม่ดีอย่างเงี้ยถึงแม่ร้านนั้นมันจะไม่อร่อยจริงๆก็ตามแต่นะ คุณไปพูดอย่างนี้คุณก็เรียกว่าดูหมิ่นภรรยาละคุณก็ติดลบคะแนนหนึ่งละในใจของภรรยา<จ>นะหรือว่าภรรยาอย่างเงี้ยงานการบ้านช่องไม่ดูแลเสื้อผ้าอะไรก็ไม่ได้ซักบ้านก็เลอะเทอะคุณก็ติดลบในใจสามีละหนึ่งคะแนนนะถ้าถ้าภรรยาเป็นคนรับผิดชอบดูแลหน้าที่ในบ้านอะนะ หรือว่าถ้าอย่างน้อยคุณไม่ได้ทําคุณก็จ้างคนอื่นมาทําคุณก็ต้องเป็นคนคอยดูแล ว, ว่าให้มันเกิดขึ้นให้ได้ถ้าคุณไม่ทํามันก็ติดลบ ก, กันไปหนึ่งคะแนนละเพราะว่าหนึ่งในหน้าที่ของปรยาเนี่คือการที่จัดแจงการงานอย่างดีนะ<จ>บางทีคครีดผ้าไม่เรียบเรียดแล้วก็ดุมหลุดผ้าไหมอย่างเงี้ยก็ชื่อว่ า, อาจัดแจงการงานไม่ดีละมันก็จะติดลบ ก, กันไปฝ่ายละคะแนนละคะแนนนะถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยนะมันอยู่ที่ระดับความอดทนนะไปถึงจุดที่ทนไม่ได้เมื่อไหร่ก็เลิกกันมานั้น คคเพราะฉะนั้นไอ้หน้าที่แ ต, แต่แต่ละฝ่ายมีอยู่5อย่างเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกที่ว่าถ้าคุณทําได้ดีนะมันก็จะใบบวกคนลัคะแนนคนลัคะแนนถ้าคุณทํำไม่ดีมันก็จะลบไปค น, น้านคนลักคะแนนคนลักคะแนนลบไปจนถึงที่อดทนไม่ได้ก็เลิกกันนะตรงนั้นก็จะเป็นภัยกับเราทันทีพระเจ้าจึงจึงบัญญัติหน้าที่เอาไว้นะอย่างแรกของฝ่ายสามีก็คือว่าอย่างที่1อย่างที่2นัก็คือการยกย่องอย่างที่2คือการไม่ดูหมิ่น การยกย่องเนี่ยคือฝ่ายหญิงเนี่ยบางทีไม่ได้ต้องการอะไรมากคุณเอใจแค่ว่าเปลี่ยนทรงผมหรือว่าเปลี่ยนนาฬิกาเปลี่ยนกิฟตอย่างเงี้ยเปลี่ยนอะไรที่มาผูกโบที่ผมอย่างเงี้ยถ้าสามีพูดอะไรนิดหน่อยที่มันเป็นการอยกย่องเขาอย่างเงี้ยให้ชื่นใจบ้างนะเจ่ชมสักนิดหนึ่งผู้ผู้หญิงก็ก็ดีใจมากละคุณบวกหนึ่งละอันนี้สามีได้บุญด้วยนะเจ้าค่ะใช่ไหมที่ทำหน้าที่ของของสามีใช่ไหมคือคุณปฏิบัติธรรมละไม่ต้องไปวัดด้วย ถึงแม้เราจะไม่ชอบเลยส่งผมทรงนี้ไปตัดมาได้ไงในะอย่างน้อยคุณคุณไม่ได้ด่าเขาแล้วกันนะ<ถ>หรือว่าคุณเลือกชมนะในกรณีที่มันสงวรชมจริงๆ<ถ>นะแม้ถ้าสวยเราก็พูดสักนิดหนึ่งนะจะทําให้เป็นการยกย่องแล้วก็เป็นการไม่ดูหมิน<ถ>่นนะซึ่งตรงนี้ก็จะคู่กับหน้าที่ของภรรยานึ่งก็คือว่าขยันขันแข็งในหน้าที่ทั้งปวงแล้วก็จัดการงานอย่างดีจัดแจงการงานอย่างดีและจริงๆผู้ชายก็ไม่ใช่เป็นคนที่นิสัยเรื่องมากอะไรอยู่แล้วล่ะ แ ต, แต่ว่าถ้าผู้หญิงเนี่ยจัดแจงการงานอย่างดีแล้วก็ขยันแขงในหน้าที่ทั้งปวงเนี่ยผู้ชายก็จะบวกหนึ่งในใจผู้ชายละเจ้าค่ะนีอันอันหน้าที่ที่สามเนี่ยที่พูดถึงทั้งสองฝ่ายต้องทำก็คือว่าไม่นอกใจซึ่งกันและกันนะผู้หญิงก็ต้องไม่นอกใจฝ่ายชายผู้ชายก็ต้องไม่นอกใจฝ่ายหญิงนะเจ้าค่ะตอนี้ก็เป็นเรื่องของการไมสมิช่าจารา่่เจ้าคะ่ะสิ่งที่สามเจ้าคะ่านะก็เรยว่าไม่ประพฤติผิดในการ ผมในไม่ไม่เปพิจัยในกาม ค, าคนเนี่ยมนุษย์ปกติเนี่ยเป็นผู้ที่มีผัวเดียวมีเดียวนะขนะดนี้หน้านที่ที่สี่นะของสามีและภรรยามาคู่กันนะภรรยาเนี่ยจะต้องรู้จักรักษาทรัพย์ที่มีอยู่ฝ่ายสามีเนี่ยนะจะต้องด้วยการให้เครื่องประดับมอบเครื่องประดับให้นะคือมีเพื่อนของอาตมาที่เพิ่งแต่งงานกันไปนะฝ่ายชายเนี่ยหลังจากแต่งงานกันไปเนี่ย ก็คิดว่าจะซื้อทองให้ฝ่ายหญิงสักสักสลึงหนึ่งเป็นสร้อ ย, ยข้อมือผู้หญิงก็มาบอกว่าโอ้ยอย่าซื้อเลยมันแพงและแต่พอมาสอบถามจริงๆเนี่ยผู้หญิงก็อยากได้ช ะ, ะฝ่ายภรรยาเนี่ยก็อยากได้แต่ก็พูดแพงงั่นแหละฝ่ายชายก็พาซื้อนะไม่ยอมซื้อให้เพราะว่าภรรยาเป็นคนพูดเองว่าว่ามันแพงใช่ไหมชกคทองมันแพงอันนี้ซื้อเกินไปนะเจ้าค่ะโยมว่าต้องศึกษาว่าผู้หญิงนี่บางทีเขาเกรงใจจริงนะเจ้าค่ะ ยมขออนุญาตพูดแทนผู้หญิงหน่อยเจ้าค่ะว่าที่บอกว่าไม่เป็นไรหรอกมันแพงเกินไปก็เพราะว่าเป็นความหวังดีนะเจ้าค่ะว่าพออาจจะลําบากแต่ถ้าผู้ชายมีน้ําใจให้จริงๆรี่มันก็จะชื่นใจเจ้าค่ะถูกต้องเจ้าค่ะคุณพระเจ้าจึงพูดข้อนี้ไว้เลยนะว่าด้วยการให้เครื่องประดับใช่ไหมมอบเครื่องประดับให้อย่างเงี้ยมันมันยังไงเขาก็จะดีใจถึงแม้ว่าพอตอนที่รับเนี่ยก็จะบอกว่าโอ้ยซื้อทําไมมันแพงแต่ในใจก็ยิ้มอยู่นะ ผู้หญิงถูกไหมถ้าผู้ชายก็ซื้อซื้อให้ไม่เป็นไรเพราะไงถ้าเขาเป็นคนรู้จักรักษาทรัพย์เนี่ยของมันเพิ่มมูลค่าตามเวลาชิ้นชิ้นเพิ่งยิ่งทองคําอย่างเงี้ยเมื่อปีที่แล้วนี่ยังไม่ถึงหมื่นหหรือยังไม่ถึงสองหมื่นตอนนี้มันจะสามหมื่นอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะเราก็ซื้อมูลค่าตรงเนี้ยฝ่ายชายยังไงก็เป็นสิ่งของที่พรรยาเเก็บไว้มันก็ยังเป็นมูลค่าขึ้นมาเป็นมรดกให้ลูกหลานได้ใช่ไหมเรียกว่าเป็นสินสมรสร่วมกันนะเจ้าค่ะบางคู่นะคุณเตือนใจ ต่ลูกโตจนก็ต้องจะเข้าหมาวิทยาะแล้วอย่างเงี้ยสามียังไม่เคยซื้ออะไรให้นอกจากแหวนแต่างงานวงแรกที่วันแต่างงานนะน่ะ อ, อันนี้ใจร้ายมากเจ้าค่ะมันก็จะไปกันยากานะคือครอบครัวก็จะมีเรื่องเราห้องระแหงอะไรกันตลอดเวลาเจ้าค่นะจจะเป็นภัยกันอยู่เรื่อยสามีภรรยาเนี่ยเจ้าคนะอันนี้คือข้อที่ที่สี่ข้อถัดมาที่พุทเจ้าพูดถึงก็คือฝ่ายชายนี่จะต้องเป็นผู้มอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้ ฝ่ายหญิงเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่สงเคราะห์คนข้างเคียงอย่างดีแม้ว่าความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้หมายความว่าอะไรหมายความว่ามอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้ในทางบ้านก็ตามทางการงานในส่วนไหนก็ตามคือมอบให้เขาแล้วให้เขาเป็นตัดสินใจคือพระยายใหญ่สุด เจ้าค่ะในในบ้านนะเจ้าค่ะระยะใหญ่เสื่ใช่เจ้าค่ะเพราะว่าไม่เจ้าค่ะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยจะเป็นคนละเอียดใช่ไหมเจ้าค่ะไหนจะดูแลลูกเต้าเรื่องการเรียนการค่าใช้จ่ายในบ้านอันนี้ยงคิดว่าถูกต้องแล้วที่พระองค์ท่านในเมตตาที่จะบัญญัติไว้อย่างนั้นนะเจ้าคะคือถ้าอันไหนมอบให้เขาไปดูแลแล้วเนี่ยคุณให้เขาแต่ประจ่าเลยนายอย่าไปเจาะแจ๊จุกจิกทำให้นั่นทำให้นี่คือมอบให้เขา เป็นใหญ่แล้วคือให้เขาเป็นใหญ่ไปเลย ừ, น ะ, ะส่วนผู้หญิงนี่คุณจะต้อ ง, ง เ, อเขาเรียกว่าขยันขันแข็งในหน้าที่ทั้งปวงนการขยันขันแข็งในหน้าที่ทั้งปวงตรงนี้ยจะมาคู่กับสิ่งที่มอบความเป็นใหญ่ให้ตรงนี้คู่กันจค่ะจุกค่ะตรงนี้พอคู่กันแล้วในเรื่องของการจงเคราะห์คนข้างเคียงเนี่ยก็จะมาคู่กับการไม่ดูหมินอย่างนี้น ะ, ะผู้หญิงเนี่ยจงเคราะห์คนข้างเคียงเพราะว่า พ่อสามีแม่สามีพี่น้องของสามีาลูกน้องของสามีต่างๆเราก็ช่วยเหลือดูแลกันอย่างนี้ใช่เจ้าค่ะดูแลให้ดี<ม>เหมือนกับเป็นพี่น้องของเราเใช่ใช่แล้วก็พระเจ้าเคยพูดถึงสะภ้ยใหม่ที่มาสู่บ้านอย่างเงี้ยในกรณีรอของผู้หญิงที่ย้ายเข้าไปในบ้านผู้ชายเนี่ยนะก็จะต้องมีความละอายและความเกรงกลัวในตั้งแต่พ่อผัวแม่ผัวคนใช้จนกระทั่งถึงคนใช้ในบ้านเพื่อที่จะให้มีจิตเหมือนกับเราเป็น คนเพิ่งมาใหม่อย่างนี้มีความละอายและความกลัวต่อบาบนะเช่นถ้าภรรยาเป็นอย่างนี้นะดูแลคนข้างเคียงอย่างดีไม่ประพฤตินอกใจตามภาษาที่มีอยู่แข็งๆในหน้าที่ทั้งปวงจัดแจงการงานอย่างดีเนี่ยฝ่ายชายก็เป็นคนที่เป็นยกย่องฝ่ายหญิงไม่ดูหมิ่นฝ่ายหญิงนะไม่ประพฤตินอกใจมอบความเป็นอย่างในหน้าที่ให้แล้วก็ด้วยการให้เครื่องประดับพวกนี้จะทําให้ครอบครัวเนี่ยโดยเฉพาะสามีภรรยาเนี่ยจะเป็นสุขกันนะไม่ระหองระแหงมีความชื่นบาน นะไม่เป็นพิษเป็นภัยกันมีความสามีทีในครอบครั ว, วค่ะครอบครัวไหนเป็นอย่างนี้นะคุณชื่อว่ารักษาละครอบครัวนั้นได้รับการรักษาะนะรักษาอย่างนี้แล้วเราสามารถชักชวนคนอื่นให้รักษาด้วยรักษาในหน้าที่อย่างนี้เนี่ยมันจะไปกันได้นะเราจะมีสังคมแล้วก็ประเทศชาติที่สงบสุขโจค่ะก็เรียกว่า ครอบครัวไหนถ้าเป็นอย่างที่ท่านพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนโดได้เมตตาสักฉามานะเจ้าค่ะอันนั้นเนยมคิดว่าคงจะเป็นสุขคือมีความสุขกายสุขใจกันอย่างแท้จริงลูกหลานในบ้านนะเจ้าค่ะคนในครอบครัวแม้แต่บริวารข้าทาสบริวารทั้งหลายแหละถ้าหากว่ามีอยู่ในบ้านทุกคนก็จะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข<ช>มีความสุขถูกไหมเจ้าคะ่ะมีมีคนแก่คนหนึ่งนะอายุ60แล้วคุณเดินใ จ, จพ่อมาเล่าให้อตาตมาฟังว่า เขาเนี่ยยังจําเหตุการณ์ตอนที่เขาอายุแปดขวบได้คือตอนนั้นพ่อแม่ทะเลาะกันพ่อแม่ทะเลาะกันในบ้านเนี่ยมันจําฝังลึกลงไปในใจลูกนะอืะพ่อแม่ทะเลาะ ก, กันเนี่ยลูกอายุหกขวบเจ็ดขวบจําได้จนแก่ยังจําได้นะนึกถึงทีไรก็ร้องไห้คนแก่แล้วนะนะเพราะว่าความที่คือพ่อแม่ถ้าถ้าไม่ปฏิบัติหน้าที่ค้าอย่างกันเนี่ยมันก็จะมีปากเสียงกันหลัก แล <c oughs> ้วท่านเบบีมีต่อหน้าลูกเนี่ยนะโอ้โหเป็นเรื่องบาดบาดในหัวใจลูกมันฝัง<ม>ลงไปในจิตใต้สันลึก<ช>ของลูกนะเจ้าคะ่ะคนที่ไม่มีศรัทธาในคําสอนพระเจ้าเขาจะไม่ทําแบบนี้ <c oughs> คือจะไม่จะไม่ประพฤติใน ห, หน้าที่นี้นะก็จะไปทําเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรไปตามเรื่องตามราวไปตามสังคมที่เขาดึงไปก็จะเริ่มมีปัญหากันละเจ้าค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าเอาคนที่จะไปรอดกันได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเนี่ย <c oughs> คุณต้องมีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกัน นะมีจาคักการให้การบริจาคเหมือนเสมอกันนะสามีจะให้เห้าพันอย่างเงี้ยปริญาก็เห็นด้วยอย่างเงี้ยนะอนุโมทนาบุญเลยนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะแล้วก็เป็นคนที่มีปัญญานะชวนกันไปปฏิบัติธรรมเรื่องนี้มีโอ้ยมีตัวอย่างมากมายเลยพู้ที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าร่อยโฉคนะเจ้าค่ะมีคนหนึ่งเขาพาแฟนเข้ามาแต่งงานกันละแต่ยังไม่มีลูกลเป็นคู่สมัยใหม่เนี่ยอายุยี่สิบสาสิบเนี่ยแหละนะพากัานมา ผู้ชายก็มีศรัทธาในพระเจ้ามากเลยผู้หญิงไม่มีนะ จ, ะจะให้มาปฏิบัติธรรมจะให้กราบหลวงพ่องเงี้ยไม่ยอมกราบไม่มาปฏิบัติธรรมแล้วนะมันก็จะไปด้วยกันไม่รอดแล้วก็พอสามีมาปฏิบัติแล้วกลับไปชักชวนบริยานะพูดจากันดีๆ ส, สัวสามีเองก็ปฏิบัติหน้าที่ของเขาใช่หัหด้วยการยกย่องด้วยการไม่ดูหมิน่นไม่ใจร้อนเป็นคนพูดจ า, เขา เ, าเขาเรียกว่าอะไรนะ มีนุ่มนวลหน่อยให้มัไไนเรืนหูนะเชักชวนอย่างเงี้ยสุดท้ายชักชวนผู้หญิงมาได้นะผู้หญิงก็มีความศรัทธาในคําสอานพระเจ<น>้านะครอบครัวนี้เขาก็อยู่มีความสุขนะชักชวนพ่อแม่ของเขามาได้นะอา่าคืออาจมาเห็นแล้วมั่นใจเลยว่าโอ้นี่แหละคนที่มีปรับศรัทธาให้เสมอกันไม่ใช่ว่าเกิดมาปุ๊บเนี่ยมันตอนแต่งงานปุ๊บมันจะต้องเสมอกันเลยมันอาจจะไม่เป็นแต่ว่า ม, มันปรับกันได้ อย่าง<ช> ค, คู่เนี้ยสามีมีศรัทธามากกว่าภรรยาไม่ค่อยมีตอนหลังๆคุยกันดีสามีก็รักษาหน้าที่ของตัวเองภรรยาก็มามีศรัทธาเสมอกับสามีได้ปรับกันได้ทำได้ เจ้าค่ะและอันนี้สามีก็จะได้บุญด้วยนะเจ้าคะเพรแน่นอนเพราะว่าชักชวนคนให้เข้ามาเรียกว่าไปในทางที่ถูกที่ควรทางที่สะอาดแล้วก็จะนําไปสู่สิ่งที่เรียกว่าอนิพานเหมือนกันก็คื อ, คอได้ไ ด, ได้ได้รู้ว่าเราจะทําวิธีอย่างไรปฏิบัติตนอย่างไรให้เป็นไปตามคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทําให้เราเนี่ยสามารถมีทำละเอียดสูงส่งยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งหมด หมดสิ้นซึ่งอาสวะกิเลสทั้งหลายนะเจ้าคะแมถูกต้องเลยเจ้าค่ะทีนี้ เ, เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องว่าสามีเนี่ยเป็นผู้มีอุปการะมากแก่ภรรยาเจ้าค่ะทีนี้ว่าอย่างกรณีอาจจะมีกรณีกับกันสามีนี่สาเณรเทเมากินเหล้าเมาเบียร์ปิดศีลด้วยส่วนภรรยานี่เข้าวัดฟังธรรมเอเราจ ะ, จะจะชักชวนไอหมอนี่มันมาวัดได้ไหมเจ้าค่ะแต่อย่างกรณีที่อดีตนายกตัวอย่างคือฝ่ายสามีชักชวนภรรยามาใช่ไหม อาจจะอาจจะชักชวนได้ง่ายหน่อยแต่ถ้าเป็นทางตรงกข้ามภรรยาชักชวนสามีมันก็แล้วแต่สามีะนะทีนี้ถ้าเราถ้าเราอดทน เ, เราอดทนแล้วเราก็พยายามที่จะชักชวนเขามาทางดีเนี่ยภรรยาผู้นั้นพระเจ้าจะใช้คําว่าภรรยาผู้มีอุปการะมากเป็นหนึ่งในเจ็ดประเภทของภรรยานะที่ว่าประเภทนี้จะเป็นจะเป็นภรรยาที่ไปสู่สวรรค์ เนีภริยาที่เสมอด้วยนางธาตุก็มีภริภยาที่เสมอด้วยมารดาบิดาก็มีภรรยาที่เสมอด้วยเพื่อนก็มีนะคือการที่เราห้ามเขาเสียจากบาปให้เขาตั้งอยู่ในความดีเนี่ยเป็นภรรยาประเภทที่ว่ามีอุปการะมากเหมือนพ่อแม่นะ <GU> น <ADHD> พ่อแม่เนี่ยมีหน้าที่ต่อลูกเนี่ยคือห้ามลูกเสียจากบาปก็ให้ลูกตั้งอยู่ในความดีถ้าเราอดทนเราสามารถให้สามีของเราเนี่ยหรือว่าคู่ของเราเนี่ยตั้งอยู่ในความดีได้ถ้าเป็นภรรยาก็จะเรียกว่าพันรยาผู้มีอุปการะมาก ถ้าสามีก็เป็นภาษามีผู้มีกุปการมากค่ ะ, ค, ะคือบางคนเนี่ยแต่งงานมาแนละ้คุณเตือนใจด้วยด้วยรูปร่างหน้าตาอย่างเดียวนะอยู่กันไปสองปีนั้นน่ะมันจะเลิกกันนะเจ้าค่ะถ้าคุณคุณจะทำภายใ น, ม, นมันไปด้วยกันไม่ได้บางคนไม่ถึงปีเจ้าค่ะ อ, อ๋อ <c oughs> พอเป็น <c oughs> อย่างนี้แล้วถามว่าคุณจะอดทนไหมถ้าคุณอดทนแล้วคุณชักชวนก็ามาในทางดีนะคือบางคนก็เหตุเหตุผลแค่ว่าภรรยาเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมสามีไม่มาเลย โอ้ยเลิกกับมันดีกว่าเว้ยมันขี้บ่นเห <c oughs> ลือเกินเรากลับมา <c oughs> ถึงบ้านมันก็บ่นใส่หูเราโอ้จะทําไงดี <c oughs> นะก็พูดง่ายๆแกสั้นๆตรงนี้ว่าถ้าคุณอดทนคุณชักชวนก็มาในทางดีคุณจะเป็นภรรยาผู้มีอุปการะมากเจ <c oughs> ้าค่ะแล้วนอกจากนั้นเนเี้ผลบุญที่ตามมานะเจ้าค่ะโยมคิดว่าก็คือความสุขในครอบครัว <c oughs> พอสามีมาทางธรรมแล้วเนี่ยโยมเชื่อมั่นเลยว่าถ้าเผื่อมามาแล้วเนี่ยต้องดีขึ้นแน่นอนเจ้าค่ะ ถึงจะไม่ได้ว่าปฏิ บ, บัติเคร่งเหมือนภรรยาแต่ว่าวิสัยเขาอะไรต่างๆเนี่ยเจ้าค่ะวิสัยที่ไม่ดีไม่ดีก็คงจะต้องดีขึ้นแน่นอนเจ้าค่สะสรุปตรงนี้มีตัวใหญ่ตัวอย่างหนึง่งมีพันธบทโทร ท, ท่านหนึ่งในอยู่ที่อุดรธา น, นีเ จ, จก็มาเข้ามาหลิกลเาาลียงปฏิบัติธรรมนะพอปฏิบัปฏิบัติธรรมกลับไปบ้านเอ๊ะไม่ขี้บ่นเหมือนเก่ายิ่งเ <ๆ S 2> งียบ<ๆ>ดีภรรยาก็งงมากเลยไอ้สามีฉันทำไมเปลี่ยนไปภรรยาก็มาด้วยในคราวต่อไปเดือนถัดไปก็มาเดือนถัดมาแล้วมาเข้าคอสปฏิบัติธรรม ตัวเองก็ดีขึ้นนะครอบครัวก็มีความสุขถัดมาอีกเดือนหนึ่งลูกตายลูกนะลูกลูกตัวเองตายลูกตายก็โห้มีความสุขความทุกข์มากเขามาบอกอาจจมาว่าโอ้เนี่ยถ้ามไม่ได้มาปฏิบัติธรรมะซะก่อนนะโอจะมีความทุกข์มากกว่านี้มากเจ้าค่ะแลคืออย่างน้อยธรรมะนี่ยงช่วยเขาให้ใคลายความทุกข์ได้บ้างนะไม่จมอยู่ในกองทุกข์มากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจึงต้องต้องบอกว่าการปฏิบัติธรรมการประพฤติตัวในธรรมะเนี่ย เป็นสิ่งที่ดีนะท่านผู้ฟังอย่าเป็นผู้ที่ร้อนใจในภายหลังนะให้ปฏิบัติธรรมะนะชักชวนคนอื่นที่เรารู้จักให้เข้าหาธรรมะจะเป็นการดีมากเลยทีเดียวเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะและอย่างหนึ่งก็คือการปฏิบัติธรรมะนั้นเนี่ย ก็ไม่ใช่ว่าเราจะกลายเป็นคนแก่ชรลาข่ําคือเจ้าค่ะแต่ว่าเป็นการทําขัดเกลาจิตใจของเราให้มาในทางที่ถูกที่ควรแล้วก็จะสร้างความสุขให้กับตัวเราเองแล้วก็คนรอบข้างเราด้วยนะเจ้าค่ะใช่ใช่เจ้าค่ ะ, คะอันนี้ก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่ได้รับฟังพระอาจารย์ภัยบุตรอภิปโนพระอาจารย์ของเราที่ได้สกักษาหรือว่าสนทนาธรรมมาในเช้าวันอาทิตย์ที่22เมษายนนี้ดิ๋ยวฉันเชื่อมั่นค่ะว่าท่านฟังมาแล้วลองเก็บ ไปคิดนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามรับรองได้ว่าชีวิตของท่านจะมีแต่ความสุขสงบร่มเย็นค่ะเพราะสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธโกดมของเราซึ่งพระองค์ท่านเป็นผู้ที่ห่างไกลาจากกิเลสแล้วก็ ตรัสรูชอบด้วยด้วยพระ อ, องค์เองแล้วก็ได้ทิ้งธรรมะอันนี้ไว้ถึง 2,600 ปีมาแล้วนั้นเนี่ยอ ข, อขอให้ท่านผู้ฟังเชื่อมั่นเะคะว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสังส่งสอนนั้นเป็นเรื่องจริงและถ้าเราปฏิบัติจริงแล้วก็จะเป็นทําให้ชีวิตเรานั้นมีความสุขร่มเย็นอย่างแท้จริงนะคะค่ะสำหรับเช้าวันนี้คงจะต้องถึงเวลาจะต้องอําลาจากกันแล้วนะคะแต่ว่าดิฉันจะได้มีโอกาสมาทําหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในเรื่องของการสากขาคือสนทนาธรรม ะ, ะใน เรื่องที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังทางบ้านเราที่เป็นชาวบ้านเราเนี่ยอีกครั้งหนึ่งในวันเสราร์อาทิตย์หน้านะคะที่28และ29เมษายนค่ะจนกว่าจะถึงวันนั้นนะคะวันนี้เราก็ต้องขอกราบขอพระคุณท่านพระอาจารย์ไพบุตรอภิปุนโน พระอาจารย์ผู้อํานวยการหลักสูตรอริกเกรนปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตําบลดอนหายโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะและท่านฟั่งท่านใดสนใจจะไปปฏิบัติธรรมกับทางวัดป่าดอนหายโศกก็มีเป็นประจํานะคะสําหรับเดือนเมษายนนี้มีถึง3ามคอร์สด้วยกันเพราะว่าเป็นช่วงปิดเทอมตอนนี้ ย, ยังยังมีช่วงสุดท้ายปลายเดือนเมษายนนี้วันไหนน ะ, นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา28เมษายนถึง6พฤษภาคม อ๋อสาทูเจ้าค่ะใครฟังแล้วอยากจะไปก็ไปได้เลยเพราะว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ธรรมะที่ได้นั้นก็สุดยอดจริงๆค่ะขอเรียนยืนยันได้นะคะค่ะเช้าวันนี้เรามากราบนมัสการขอบพระคุณและกราบลาพระอาจารย์ภัยบุญอุพิปุโนพร้อมประเดชพระคุณหลวงพ่อดรสะอาดที่โทผาโซท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหาโศกพร้อมกันนะคะกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าข่ะเรียนานสาทุเจ้าค่ะ